นิ่งเป็นหลับขยับเป็นฟุ้งนะก็เป็นนิ่งเป็นหลับนะขยับจริงรู้สึกนะรู้สึกนี่นี่คือรู้สึกตัวนะให้มันได้ตรงนี้ก่อนถึงแม้ว่าเวลานิ่งนะจะหลับก็ตามนะวันนี้พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะมันก็จะก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งนะก็คือว่านิ่งก็รู้สึกนะขยับก็รู้สึก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 หรือว่าเรายกมือสร้างจังหวะไปสักพักในความรู้สึกตัวที่ได้จากการยกมือก็สามารถจะอยู่ได้นานอย่างเช่นยกมือไปสักสิบนาทียีสินาทีความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นก็ยังสามารถที่จะจะอยู่กับตัวเราแม้อยู่นิ่งๆไป20สิบนาทีสาสนาทีไม่มีความรู้สึกตัวอยู่ไม่ใช่ไปยกมือไปสิบนาทียี่สินาทีพอหยุดยกพอไม่ยกมือนิ่งเนี่ยก็รู้สึก ผ่าไปสักห้านาทีก็สับประงกแล้วฝ่าไปสิบนาทีก็ง่วงแล้วอันนี้มันเหมือนกับแบตเตอรี่ไม่ค่อยดีนะมันมีไฟฉายประเภทที่ว่าไขาลานละนะเราหมุนเราหมุนลานเนี่ยสักห้านาทีเนี่ยถ้าแบตเตอรี่ดีๆนะไฟรถไฟฉายดีๆเนี่ยเราหมุนลานไปสักห้านาทีมันก็จะมีไฟใช้ได้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 นิ่งไปได้ทับสามนาทีห้าทีก็หลับไปละนะสับประงกไปละอันนี้เรียกว่าต้องฝึกให้ดีนะคนเราถ้าฝึกดีๆเนี่ยจิตมันเนี่ยจิตมันจะไวแม้ไม่ยกมือสร้างจังหวะนะเพียงแค่กับพิบตาเพียงแค่กึนน้ำลายเนี่ยความรู้สึกตัวกเกิดขึ้นมาได้จริงๆแล้วจะพูดว่าคนเรานิ่งทีเดียวก็ไม่เชิงนะในขณะที่เรานิ่งฟังธรรมะเนี่ยไม่ได้ยกมือเนี่ย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 จิตของเรายังไม่ยังไม่ไหวพอนะไอ้ธาตุรู้ของเรานี่มันยังมันยังมันยังเชื่องช้าอยู่นะอยู่ต้องกระตุกแรงๆถึงจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาต้องใช้อิเลีย บ, บทหนักๆแรงๆถึงจะมีความรู้สึกตัวอันนี้ก็เรียกว่ายังไม่พัฒนาเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าขยับแล้วฟุ้งนะเเอเอขยับแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้ดีแต่ว่าถ้านิ่งเราเป็นหลับนี้อันนี้ยังไม่ได้นะ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 ในเ่อปฏิบัติมั้งพอปฏิบัติไปประหัติไปเนี่ยนะมันจิตมันจะไวมันจะรู้สึกตัวได้ง่ายเพียงแค่ผูได้ยินเสียงก็รู้สึกถึงแม้อิเรียบทจะเป็นอิเลียบที่นิ่งหรือว่าถึงแม้จะเกลือน้ำลายนะกับพิษตาก็ยังรู้สึกได้นะไม่ไม่ง่วโ ง, ง่หรือว่าขยับนิ้วนะดูเหมือนนิ่งแต่ถ้าขยับนิ้วก็ทําให้ จิตมันตื่นขึ้นมาได้ต้องให้จิตของเรามันตื่นไว้นะไม่ใช่ว่าต้องไปพึ่งพากับอิเลียบทสร้างจังหวะอย่างเดียวหรือว่าต้องไปพึ่งกับพึ่งอิเลียบทการเดินอย่างเดียวนะีอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดได้เหมือนกันนะว่าเราเนิ่งเป็นหลักนะขยับเป็นฟุ้งหรือว่าเรานิ่งเป็นหลักนะขยับเป็นรู้สึกหรือว่านิ่งก็รู้สึกขยับก็รู้สึกนะอันนี้เนี่ยก็เป็น มันก็เป็นเครื่องที่จะวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติของเราได้แต่ซอผู้ฝึกใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้ก็ได้นะแต่ว่าก็เพียงแต่ว่าเร า, าให้กายกระจายของเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกันการเจริญสติมันก็มีหลักง่ายๆว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นัน่นนี่เป็นหลักพื้นฐานข้อแรกเลย ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นไม่ใช่ตัวอยู่ศาลาแต่ใจไปอยู่ที่บ้านใจไปอยู่ที่ทำงานใจไปอยู่กับลูกใจไปอยู่กับพ่อแม่แล้ว น, นันไม่ใชนะ่เวลาทำอะไรก็ตามไม่ใช่แค่สร้างจังหวะเดินจงๆมแต่ว่าอาบน้าล้างจานกินข้าวนะกายกระจายมันอยู่ด้วยกันอันนี้คือสติคือการเจริญสตินะ เป็นเครื่องเป็นเครื่องวัดได้นะว่าจิตสตินี้มันหมายความว่าอย่างไรนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะอันนี้พอปฏิบัติไปปฏิบัติเราก็จะพบว่าเออถ้าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเนี่ยเวลากายเคลื่อนไหวก็รู้สึกนะเวลาใจคิดนึกก็รู้ทันนะก็คือว่าเห็นกายเคลื่อนไหว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 ไม่ว่าจะยกมือไม่ว่าจะเดินกินข้าวกระเด็กนิ้วคลึงนิ้วนะกับพิกตาเนี่ยอันนี้แหละรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะใจมันคิดนึกอะไรก็รู้ทันเห็นนี่ไม่ใช่เห็นด้วยตานะเห็นด้วยใจเห็นด้วยสตินะสติมันทาให้เห็นใจคิดนึกได้นะเห็นเฉยๆนะเห็นเฉยๆไม่ต้องทําอะไรกับมัน อย่างที่เลาพูดไปแล้วเมื่อวานนะเพียงแค่รู้ว่ามันมีความปวดความเมื่อยที่กายมันมีความหงุดหงิดในใจหรือมีความยินดีนะมีความลิงโลดขึ้นที่ใจก็รู้มีความอยากเกิดขึ้นที่ใจก็รู้นะให้เราเมันสังเกตนะจะใช่ว่าสังเกตก็ได้นะสังเกต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 ความคิดมึกของใจได้แต่ว่ามันจะเห็นอะไรที่มันหยาบๆก่อนนะก็คือเห็นการเคลื่อนไหวของกายหรือรู้สึกเมื่อกายเคลื่อนไหวเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปถึงกลับไปจ้องไปเพ่งมันนะบางคนอยากจะเห็นชัดๆอยากจะรู้สึกชัดๆก็เลยไปจ้องไปเพ่งที่เท้าที่มือ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 นะเวลาเราฟังคำบรรยายเนี่ยเราจะเข้าใจคําบรรยายได้ต่อเนื่องเนี่ยก็โดยที่การที่เราฟังรวมๆถ้าเราไปจ้องไปเพ่งที่คําแต่ละคําแต่ละคำนะเราจะฟังไม่รู้เรื่องธรรมชาติของใจเนี่ยนะมันจะมองรับรู้อะไรรวมๆนะมองหน้าคนรวมๆฟังเสียงเป็นประโยครวมๆนะไม่ใช่ มุ่งจดจ้องเฉพาะคำาอันเนี้ยเป็นธรรมชาติและการจริ์สติแบบโลภะเทียนเป็นการจรสติแบบธรรมชาติคือว่าไม่บังคับจิตไม่ใช้การไปจ้องไปเพ่งนะไม่มีการไปห้ามความคิดนะอนนีาตให้จิตเนี่ยมันทำงานเป็นอิสระของมันแต่ถ้ามันจะฟุง้งนะเราก็รู้เราก็รู้นะ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 ถ้ามันไม่เผลอมันไม่ฟุง้งแล้วเราจะรู้ทันความเผลอความฟุ้งได้อย่างไรนะยิ่งเผลอเท่าไรแล้วก็รู้ทันนะบ่อยครั้งมากเท่านั้นเนี่ยก็จะทําให้เรามีสติไวขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจนะไอ้ความการที่ใจเราฟุง้งใจเราเผลอหรือว่าใจเราหลงนะเมื่อหลงแล้วก็รู้นะรู้ว่าหลงบ่อยๆสติก็จะดีขึ้นมาก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 ที่เป็นเรื่องความเจ็บปวดมาตอกย้ำซ้ำเติมจิตใจพอคิดไปถึงเรื่องอนาคตก็เกิดความกังวลเกิดความวิตกขึ้นมานะซึ่งมันก็ทําให้เราทุกข์มากขึ้น จ, าจาะ่ใจเาอยู่กับปัจจุบันนะกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกใจคิดนึกไปก็รู้ทันนะก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความสึกตัวทั่วพร้อมมีความ รู้สึกตัวได้ต่อเนื่องนะหน้าที่ของสติอันนึงเนี่ยพระเจ้าเปรียบเทียบนะเหมือนกับการที่เดินโดยทูนหรือโดยแบกบหม้อที่มีน้ํามันเดือดๆอยู่บนหัวเนะอา น, นึกภาพที่เนี่ยคนที่มีน้ํามันเดือดๆเนี่ยอยู่บนอหม้อที่ใส่น้ํามันเดือดๆอยู่บนหัวเนี่ยที่มันพร้อมที่จะล้นหรือพร้อมที่จะ อ่าทะลักลงมาเนี่ยจะต้องเดินอย่างระมัดระวังมากความระมัดระวังอย่างนี้แหละต้องก็คือหน้าที่ของสตินะสติมันทำให้เราอ่ามีความระมัดระวังเวลาเราทูนหม้อที่มีน้ำร้อนเดือดเนี่ยนะเราจะไม่สนใจไอเรื่องอดีตอนาคตเลยเนี่ยใจเราจะอยู่กับปัจจุบันมากนะ สติมันทำหน้าที่นี้แหละต้องก็เป็นหลักในการทำงานไปนหลอดในเกินดำเนินชีวิตได้อย่างดีมาก เ, เมื่อสัก4ี่สิปีที่แล้วเนี่ยมันมันมีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อว่าฟ e, e ิลิปฟิลิปปร์ตีแกเป็นนักไต่ลวดแล้ววันหนึ่งแกได้ข่าวว่ามันจะมีการสร้างตึกแฝดสองตึกที่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 คล้ายๆกับที่พูดเจ้าพูดถึงคนที่มีสติโดยเปรียบเที่ยวคนที่อ่าทูนหม้อที่มีน้ําเดือดร้อนจะต้องระมัดระวั ง, งนะไม่ให้น้ําเดือดน้ําเนี่ยมันน้ํำมันกระชอกลงมาบางทีชีวิตของคนเราก็คล้ายๆคนที่ตายเส้นลวดนะชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ใตายันเส้นลวดก็คือว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้น การที่มีสติอยู่กับปัจจุบันแต่และขนาดแต่และขณะนี้สําคัญมากนะมันจะไม่ถึงกับเสี่ยงตายเมือนกับนายฟิลิปนะแต่ว่าไอ้สติที่เราสติที่เราจําเป็นต้องมีเนี่ยมันสามารถจะช่วยทําให้เราสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันขนาดได้แม้ว่าจะมีอันตรายรอบตัวหรือว่ามีอันตรายอยู่ข้างหน้าเพียงใด แต่ถ้าเรามีสติเสร็จแล้วเนี่ยนะแต่ละขนาดแต่ละขนาดเนี่ยมันก็จะเป็นขณะที่ปลอดภัยแล้วคนเราเนี่ยมีความทุกข์อยู่เบื้องหน้าแล้วก็มีความทุกข์อยู่รอบตัวถ้าเราไม่มีสติเมื่อไหร่ก็าอาจจะเกิดเหตุเกิดออันตรายได้นั้นสติที่เราพยายามสร้างเสริมพยายามสั่งสมขึ้นมาจากการปฏิบัติในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันมีความหมายมาก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 ฟูนฟักแล้วก็สะสมนะในแต่ละขนาดแต่ละขนาะคานี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับ